ผ่านมาเจ็ดวันแล้วนะนะับตั้งแต่วันอาสาบูชาหลายคนที่เคยรู้สึกว่าวันแรกๆนี่มันผ่านไปอย่างเชืงช้าคงจะพบว่าตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเร็วขึ้นอันนี้เพราะว่า <c oughs> ร่างกายและจิตใจเรานะปรับตัวได้นะที่เคย นอนตื่นสายหรือไม่เป็นเวลานะตอนนี้ก็จะพบว่าร่างกายมันนะเริ่มปรับตัวเข้ากับจังหวะชีวิตของที่นี่นะตื่นตีสามตีสามครึ่งนะถ้ะถึงเวลาสามทุ่มสี่ทุ่มก็นะก็รู้สึก ง, ง่วงแล้วนะที่เคยนอนดึก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 นะการกินการอยู่เป็นเรื่องยากนะมาที่นี่ก็ให้ถือว่านะเรามาฝึกเพื่อที่จะอยู่ง่ายกินง่ายนะถึงแม้ไม่ตั้งใจฝึกนะแต่ว่ามันก็จะเป็นไปเองนะถ้าเราไม่ไปไปขัดขวางนะการปรับตัวของร่างกายและจิตใจ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 จนกระทั่งไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรก็มาบวชพระเพราะว่าในใจก็รู้ดีว่านถ้าไม่มาบวชนี่ก็ก็คงจะถอนตัวจากเล่านไม่ขึ้นพอมาอยู่วัดก็สบายนะที่เคยมีอาการกระสับกระส่ายหรือลงแดงก็ค่อยๆหายไปเริ่มนอนเป็นเวลา การกินที่เคยยากก็กินได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเจริญอาหารนะจจตใจก็เริ่มสงบความว่าวุ่นก็น้อยลงนะบวชได้ประมาณสาอาทิตย์หรือ1เดือนนะรู้สึกดีขึ้นแต่พอสึกออกไปนี่นะบอกว่ากลับไปสู่อีรลอเดิมนะเพราะว่ากลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิม ไอ้ที่ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็วิธีใช่ของความเป็นพระของนักบวชเนี่ยมันกล่อมเกลานะให้กายและใจเนี่ยมันกลับคืนสู่ความปกติความสมดุลนะคนที่เจอความเปลี่ยนแปลงแบบนี้ก็ อ, อาจจะประมาทนะคิดว่าเอ้ยฉันนะฉันดีแล้วนะฉันเอาชนะมันได้แล้วหารู้ไม่ว่านะ ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมต่างหากขันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะจากสิ่งแวดล้อมนะแบบอารามนะกลับไปสู่สิ่งแวดล้อมเดิมๆ เ, เจอคนเดิมๆ เ, เพื่อนเดิมๆวิธีช่วยแบบเดิมๆก็เลยกลับไปนะเป็นท่ายของเราเป็นท่ายของอบาบยามุกใหม่อันนี้เกิดขึ้นนะกับคนจํานวนมากจะเรียกว่าพอประมาทก็ได้ วัาแ น, น่จะรอให้เราเกิดความเปลี่ยนแปลงไปเองนะโดยสายสิงว่ารอบช่วยกล่อมเก่านี่มันไม่พอนะนะนะอันนี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามน้ำนะมันไม่พอเราต้องลงมือหรือตั้งใจนะปฏิบัติ ด, ด้วยนะจะปล่อยให้ลอยตามน้ำอย่างเดียวไม่ได้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 ตั้งใจปฏิบัติด้วยการปฏิบัติที่นี่มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะนอกจากเรื่องศีลแล้วเราก็ให้ความสําคัญการภาวนาฝึกจิตฝึกใจศีลก็สําคัญนะแต่ส่วนใหญ่ก็ทํากันได้ไอ้ที่ทําไม่ค่อยได้นะเพราะอ้างว่ายากก็คือภาวนาในที่จริงการปฏิบัติหรือภาวนานี่ มันไม่ยากนะขอให้ปฏิบัตินะครูบาอาจารย์หลายท่าน น, นก็บอกว่าไอ้ที่ยากเพราะไม่ปฏิบัตินะแต่หลายคนก็พบว่าแม้ปฏิบัติแล้วก็ยังยากอยู่ที่ยากส่วนนึงก็เพราะว่ามันเป็นของใหม่อะไรก็ตามที่เป็นของใหม่นี่มันยากทั้งนั้นนะสมัยที่เรายัางเป็นทารกเนี่ยการเดินหรือแม้แต่การยืนเป็นของยาก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 ก็จะรู้สภาวะการเดินเป็นเรื่องง่ายสมัยเราโตขึ้นมาอายุ3ามสี่ขวบนะการเขียนหนังสือเป็นเรื่องยากเขียนกรไก่ขอไข่แต่และตัวนี่มันไม่เป็นตัวเลยนะมันโยเยะนะจําตอนที่เราเป็นเด็กได้ไหมอาตมานี่ยังจําได้เลยเขียนวอลแวนกับอ อ, อ, อ่างนี่คล้ายกันเลย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 เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าอย่างเช่นคนในเมืองนะในกรุงเทพเนี่ยนะตื่นเช้าขึ้นมาไปทํางานแล้วเจอรถติดนะอันนี้มันก็เป็นธรรมดาแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ประสงค์ฉนันพอเจอรถติดเข้าก็หงุดหงิดนะจิตตกที่จริงนี่มันยังเล็กน้อยนะมันยังมีอะไรอีกมากมายที่ต้องเกิดขึ้น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 ไม่มีงานที่ต้องรับผิดชอบหรือเพียงเพราะว่าออจะมาพักกายพักใจอันนี้มันไม่พอนะมันต้องลองนะลงมือปฏิบัติด้วยและการเจริญสตินะการสร้างความรู้สึกตัวโดยเพาะแบบหลวงพ่อเทียนนี่มันมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะไอ้ที่ยากเพราะว่าทําไม่ถูกนะเช่นไปพยายาบังคับจิตไม่ให้คิดนะพยาบาังคับควบคุมความคิด ไม่ให้เกิดขึ้นถ้าทำแบบนี้หรือตั้งจิตแบบนี้ก็ผิดแล้วนะเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งควบคุมความคิดนชนิดที่ว่ามันไม่ผุดไม่โผล่ขึ้นมาในใจเลยแต่ฝึกเพื่อจะให้รู้ทั น, นความคิดอันุีาให้คิดได้จิตมีสระที่จะคิดแต่ว่าขอให้มีสติรู้ทันนะ ขณะเดยกันเวลาทำอะไรเนี่ยก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นนะนะสติก็คือว่ามีใจรับรู้อยู่กับการกระทำนั้นนั้นนะไม่ต้องถึงไปเพ่งไม่ต้องถึงกับเพ่งไม่ว่าจะกินอาหารนะไม่ว่าจะเป็นการเดินก็ไม่ต้องถึงกับเพ่งนะแค่รู้เบาๆว่ากำลังกินนะกำลังเดินหรือว่าสวดมนต์เนี่ยก็สวดไปตามปกติใจก็อยู่กับการสวดมนต์อันนี้ก็เรียกว่ามีสติ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 ทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็ได้สอนนะให้พระเนี่ยนะมีความรู้สึกตัวท่านก็สอนจอนกระทั่งใกล้จะปรินิพพานนะสามเดือนสุดท้ายเนี่ยนะตอนที่พระองค์ใกล้จะปรงองอายุสังขารเนี่ยก็ยังสอนเลยนะก็ยังย้ำนะให้ภาษาว o k เนี่ยนะ มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งหมายความว่าอะไรไหมครัว่ามีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งแล้วพวกก็อธิบายว่าเนี่ยให้เป็นอยู่ด้วยสติสัพชัญญะนะรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมความรู้สึกตัวก็ให้มันทำนะไม่ว่าจะเดินไปข้างหน้าถอยข้างหลังเหลียวซ้ายแลขวา นะคูหรือเหยีดอวัยวะไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาก็ใทให้มีความรู้สึกตัวนะผมจีวอนคล้องผ้าสะพายบาดนะอันนี้สำหรับพระถ้าเป็นคารวาวะก็ใส่เสื้อนุ่งกางเกงนะก็ให้มีความรู้สึกตัวกินดื่มเคลืยอลื่ก็ให้รู้สึกตัวนะอุจจาระปัสสาวะก็รู้สึกตัว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 พระภิกษุให้ทำสิ่งเหล่านี้แหละเนะพราะมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากนะการทำความสึกตัวให้เกิดขึ้นมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะการให้การเจริญสตนะิให้มีสติในการกระทำสิ่งใดรวมทั้งเวลาเผลอสติใจลอยฟุ้งซ่านนะจมเข้าไปในอารมณ์ก็ให้มีสติรู้ทัน มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วก็เป็นการกระทาที่ไม่ต้องไปไปบังคับจิตบังคับใจา ย, ยางไรทั้งสิน้นะจิตมันอยากคิดก็อนุญาตให้มันคิดได้แต่อย่าไปหาไปหาเรื่องคิดให้มันกระเจดิดกระเจิงนะถ้ามันจะคิดก็เป็นเรื่องของมันหน้าที่ของเราก็คือให้มีสติรู้ทันนะใหม่ๆเนี่ยก็จะพบว่ามันคิด หลายเรื่องหลายเล่าเลยเกินนะคิดเจ็ดแเรื่องนะลวดเดียวเลยคิดจากเรื่องนี้นะแล้วมันก็กระโดดไปเรื่องนั้นแล้วก็กระโดดไปเรื่องโน้นนะทีแรกอาจจะนึกถึงงานเสร็จแล้วก็นึกถึงเพื่อนรวมงานเสร็จแล้วก็ไปนึกถึงพ่อแม่เขานะหรือไม่ก็ไปนึกถึงรถนะที่เขาซื้อแล้วก็โยงไปถึงนะอุตสาหกรรมรถยนต์นะที่กำลังย่าแย่มันคิดไปไกล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 โอวเทียนาก็ย้ำนำมาทำเล่นๆนะฟุ้งบ้างก็ไม่เป็นไรนะหลงบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทําไปเรื่อยๆพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะัมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงคือว่าที่เคยคิด8ปเรื่องรวดเดียวจบหรือว่าไม่ทันจบเนี่ยความคิดมันก็หดสั้นลงหดสั้นลงที่เคยเป็นขบวนรถไฟยาวเหยียดนะสิตู้15ตู้มันก็ค่อยหดสั้นเนะหลือแค่78ตู้แล้วก็หดสั้น เหลือแค่สองสามตู้จนกระทั่งบางทีคิดไม่ทันจบเรื่องแล้วก็รู้ทันแล้วนะนะอันนี้พอคิดเล่นๆอันนี้พอทำเล่นๆนะมันไม่ต้องไปควบคุมนะบังคับอะไรเลยนะเพียงแค่รู้เฉยๆนะรู้เฉยๆคือรู้ซื่อๆนะแล้วพอทำไปทาไปความสึกตัวก็จะทีก็จะต่อเนื่องมาคืนใจก็จะเบานะ ไม่ใช่ทําด้วยหน้าดําค่ําเคร่งนะนะถึงแม้ว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของดีก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องทําด้วยอาการค่ําเคร่งหรือคร่าเครียดนะทำด้วยความรสึกสบายสบายนะทำเล่นเล่นหลายคนไปคิดว่าโอ้มันทําเล่นเล่นไม่ได้นะทำมาเป็นของสูงนะการปฏิบัติธรรมนี่มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะจะทําเล่นเล่นได้อย่างไรอันนี้ก็แปลว่าเรากําลังทําของง่ายให้เป็นของยากนะ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 หลายคนไม่ไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับนวักกรรมปฏิบัติธรรมมันจะทำหน้ายิ้มแย้มแจ่ ม, มสาสได้อย่างไรมันต้องเครียดมันต้องเคร่งอันนี้มันก็จะกระเดียดไปทางทรมานตนแล้วนะมันใกล้เคียงการทรมานตนแล้วนะก็คือทําตนให้ลําบากนะถานั่งที่มันไม่จำเป็นต้องลําบากอย่างนั้นนะวิธีของพระตัวเจ้าเนี่ยเป็นวิธีแห่งความสุขนะ โดยมีจุดหมายคือความสุขนะอันนี้นะต่างจากความคิดหรือความเข้าใจนะของอคนสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยนะโดยพาะพวกนิครนเนี่ยนิครนเนี่ยก็คือพวกเชนหรือพวกที่รวมทั้งพวกโยคีนะพวกที่เขาเชื่อในเรื่องการบรเป็นทุกขารกิริยา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 ก็เป็นอันว่าพ้นโทษนะความเข้าใจคนสมัยก่อนเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็มีความคล้ายๆกันนี่คือมันจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องลงโทษตัวเองนะต้องลงโทษตัวเองด้วยการทรมานตนไอ้กรรมเนี่ยมันจึงจะหมดไปแต่พระเจ้าเนี่ยนะปฏิเสธในขณะที่พวกนี้เชื่อว่าความสุขจะได้จะเข้าถึงได้ต้องอาศัยความทุกข์ ต้องใช้ความทุกข์เป็นวิธีทางในการเข้าถึงความสุขผู้เจ้าตรัสตรงข้ามว่านะความสุขเนี่ยบุคคลจะเข้าถึงได้ต้องอาศัยวิธีแห่งความสุขนะคราวหนึ่งพระองค์เนี่ยก็เคยเนยะเสด็จไปสนทนากับนิครณ น, นาตบุตรนะก็คือศาสตรามหาวีระสมัยก่อนเนี่ยแมจ้ารัตทิแม่จะมีความเห็นต่างกันนะ แต่ก็อยู่ร่วมกันได้จะว่าเป็นเพื่อนกันก็ทำนองนั้นก็คือว่าไปมาหาสู่กันไปสนทนาธรรมกันบางทีก็ไปแวะเวียนสานักโน้นบางทีพระองค์ก็ไปหาไปคุยกับนิครณนานตบุตรบางทีพวกนิครณก็มาสนทนาธรรมกับผู้เจ้าก็มีการอภิปรายถกเถียงแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะ ก, กันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้นี่คิดต่างกันก็ทะเลาะ ก, กันลว ยอมกันไม่ได้แต่คนสมัยก่อนนี่นะเขาคิดต่างกันเขาก็ไม่ถือว่าเป็นศัตรูก็สนทนาการแลกเปลี่ยนความเห็นกันคราวนึ่งพระเจ้าก็ไปสนทนากับนิครนัตบุตรก็สนทนาเรื่องนี้แหละนะนิครณนัตบุตรบอกว่าความสุขจะถึงได้ต้องต้องใช้ความทุกข์พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยความสุขมันจะเข้าถึงได้ต้องอาศัยความสุข นีครนนาตมุบุก็เลยบอกว่าจะเป็นไปได้อย่างไรนะถ้าเป็นอย่างที่ผู้เจ้าว่าคือจะเข้าจะถึงบรรลุถึงความสุขได้ต้องอาศัยความสุขเนี่ยระเจ้าพินพิสารก็ต้องมีความสุขกับผู้เจ้าเพราะว่ามีทรัพย์สมบัติมีความสะดวกสบายมากมายอาหารการกินนะก็มีคนเอามา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 ท่านคิดว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะจะสามารถอยู่นิ่งๆไม่พูดไม่คุยนะเจวันได้ไหมไม่พูดไม่คุยแล้วมีความสุขด้วยนะนี่ครณาตุบุกบอกทำไม่ได้หรอกเอางั้นลดเป็น6วันก็ยังไม่ได้ลดจาก5เป็นสี่เป็นสามสองหนึ่งแม้เพียง1วันพระเจ้าพิมพิสารก็คงทำไม่ได้หรอกแต่พุะเจ้าตาปะพระองค์ทาได้นะ อยู่นิ่งๆไม่พูดไม่คุยนะเรียกว่าอยู่อย่างมีความสุข1วันก็ได้2วันก็ได้3วันก็ได้จนกระทั่งถึง7วันก็ยังได้ถ้าเชนนี้แล้วใครมีความสุขมากกว่ากันนะความสุขนี่มันไม่ได้วัดที่การมีวัตถุสิ่งเสพนะมันไม่ได้มีไม่ได้วัดกับตรงนั้นแต่วัดว่าเนี่ย ถ้าอยู่นิ่งๆและมีความสุขไหมแม้ไม่มีสิ่งเสพสิ่งบริโภคเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าสามารถอยู่ได้โดยไม่กระสับกระสายไหมหนี่ครรณบุตรเนีเข้าใจว่าเนี่ยการมีวัตถุสิ่งเสพเนี่ยมันทำให้เป็นมันเป็นวิธีแห่งความสุขนะแต่ถ้าเรานะพิจารณาดูจะพบว่าการมีวัตถุสิ่งเสพเนี่ยมันให้สุขทางกายก็จริงนะแต่ว่ามันก็ เจอไปด้วยทุกนะทุกที่ว่าเนี่ยคือทุกใจนะสุกกายนะแต่ทุกใจทุกใจเพราะต้องห่วงนะในการรักษาที่จริงก่อนจะได้มาก็ต้องเหนื่อยกับการหามานะใครมีมากกว่าก็ทุกอิจฉาเขานะมีเรามีมากกว่าเขาก็ยังไม่พอใจต้องไปหามาอีก เหนื่อยการรักษาแล้วถึงเวลามันหายไปก็ทุกขนะ์อันนี้บางทีมันทุกข์ใจด้วยนะมันไม่ใช่แค่ทุกข์ใจนะบางทีมันทุกข์กายด้วยนะเสพมากๆเขาก็ป่วยนะนะกินเหล้าเมายานี่ก็สุขภาพก็แย่นะที่แรกอาจจะเคลิ้มคล้อยเป็นสุขนะแต่ว่าโรคภัยก็ถามหาเพราะนั้นเนี่ยนะไอ้วัตถุสิ่งเสพหรือว่าการ มีวัตถุปนเปืออย่างพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนะความมันไม่ใช่เป็นวิเทียนความสุขอย่างแท้จริงนะวิถีชีวิตของพวกเราที่นี่เนี่ยมันมันสุขกว่านะกว่าที่พระเจ้าพิมพิสารนะประสบสักอีกนะโดยเพราะถ้าเราอยู่แล้วเนี่ยนะเราภาวนาด้วยนะเราฝึกจิตฝึกใจให้มีสติรู้ทันความคิดนะ ทำให้ความคิดนี่มันไม่มารบกวนจิตใจนะความคิดนี่มันเกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าเราเห็นมันนะแม้จะคิดลบคิดลายเนี่ยมันก็ไม่ทําให้ใจเป็นทุกข์เพราะว่าเห็นนะไม่เข้าไปเป็นนะไอ้ที่ทุกข์เพราะว่ามันเข้าไปเป็นนะหรือว่าเข้าไปผักใส่นะไอ้ที่เราปฏิบัติเนี่ยมันเป็นวิถีแห่งความสุขนะ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 มันคิดก็คิดไปนะแต่ใจนะไม่เป็นธาตุหรือถูกมันครอบงำอันนี้พออะไรเพราะเราเห็นมันเห็นไม่ครอบเป็ น, ปนนะหลวงพ่อคำเขียนท่านก็ย้ำอยู่เสมอนะแม้แต่เวลาปวดนะปวดขานะเมื่อยขาอันนี้คือทุกขเวทนามันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ว่าถ้าเราเห็นมันนะใจไม่ทุกข์นะใจก็ยังสงบได้กายปวดไปใจสงบแต่ที่ใจ พ, พรุงพร่ำวา่าวุ่นเนี่ยนะหงุดหงิดเนี่ยก็เพราะอะไรเพราะว่าเข้าไปเป็นนะนะมันไม่ใช่แก้กายปวดนะมันแต่เข้าไปเป็นผู้ปวด อ, นนอันนี้เพราะไม่เห็นมันไม่เห็นความปวดนะอันนี้เป็นวิธีแห่งความสุขนะซึ่งนะ มันไม่ต้องอาศัยาการหน้าดำค่าเคร่งหรือว่าการทำให้มันซีเรียสนะทำเล่นๆนะแต่ว่าทำจริงๆนะอย่างที่หลวงพ่อเทียนท่านาท่านตบท้ายเนะี่ยทำเล่นๆแต่ทำจริงๆทรเล่นนก็คือว่าไม่ได้จริงจังไม่ได้คิดจะเอาชนะมันจะพลังมันจะเพลบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าทำตั้งแต่เช้าจดเย็นทำแต่ตั้งแต่ตื่นนอนนะจน เข้านอนเลยทีเดียวนะก็คือทำความรู้สึกตัวนะกับทุกอิริยาบถรวมทั้งสร้างอิริยาบถนะสร้างอิริยาบถนะสร้างการกระทาขึ้นมาไอการอ่านนาถูฟันเนี่ยมันเป็นไปนะตามธรรมดารในชีวิตประจาวันแต่เรามีการเพิ่มเข้ามานะสองอย่างก็คือการสร้างจังหวะการเดินจงกรมนะเดินกลับไปกลับมา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 นะมันก็สามารถจะนะพาเราเข้าสู่ความพ้นทุกข์ไดนะ้แม้เส้นทางมันจะไกลนะแต่ว่ามันก็เป็นทางตรงนะที่จะพาให้เรานะได้เข้าถึงจุดหมายการปฏิบัตินะอย่างที่พูะเจ้าตรัสว่าเนี่ยนะความสุขนะมันจะเข้าถึงได้ต้องอาศัยความสุขนะและการเจริญสตินั่นแหละก็คือวิเทียนความสุข อ๋อคำนี้ก็เปมือท่านนี้นะอากราบร